เมื่อเสือปีก่อนมิวบาได้ไปประเทศภูทานรเราได้พบข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คื็นคนน่าสนใจนะเรียนจบจากมาาหาวิทยาลัยที่มีชื่ออังกฤษนะไม่รู้ออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์แต่ว่ากลับมาพูทานก็เป็นคนที่ภูมิใจในวัฒนธรรมของภูทาน ซึ่งก็มีที่พงพุทธศาสนาอยู่มากราชการคน น, นี้ที่คิดเล่ดจิตอนเป็นเด็กนี่ก็อยู่ในชนบทนะชนบทที่ไกลเลยนังรถนี่มเป็นวันเลยถาบุ่มทังนะบุมทางนี่นเป็นที่ที่คนที่ไปปุทธานก็ถ้ามีเวลาก็ต้องไปให้ได้เพราะว่า เ็ารักษาถ้าทำประเพณีแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ได้ดีมากตอนไม่เด็กเนี่ยิดเลข น, นี่ก็อยู่กับยาทจริงก็มีพ่อแม่ด้วยนะแต่ว่าใกล้ชิด ก, กับยามากกว่าแม่อกก็เล่าว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจตอนนั้นก็อยู่สศาสตร์เจ็ดตัดกวบ มีหนูเนี่ยมันมาปวดเปีย น, นะจะเรียกว่าอาราวาดก็ได้คอยกินข้าวนะที่เก็บไว้ในถุงแล้วกินแอบลักกินอยู่หลายวันจนกระทั่งยายเ น, นี่ยเห็นว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องต้องจับหนูตัวนี้ไม่งั้นมันจะเรียกว่ามีครอบครัว จะกลายเป็นเรื่องใหญ่กับดังหนูที่ญาทํานี่ก็ง่ายๆนะออกก้อนข้าวมาวางบนกระดานไม้กระดานเล็กๆแร้วก็เหนือก้อนข้าวนี่ก็เป็นหม้อดินเก่าๆที่คํายันด้วยการไม้บางๆนะสูงประมาณส6นิ้วนึกภาพนะมีการไม้นี่คำหม้อดินเหนือก้อนข้าว ล่อให้ก้อนข้าวนี้ล่อให้หนูเข้ามาแล้วเวลามันคาบก้อนข้าวไป้ะเกิดมันไปชนกับก้านไม้เนี่ยหม้อดินก็จะตกลงมาครอบรัวไว้เป็นกับดัก ง, ง, ง่ายๆเช้าเนี่ยย่าก็เอาก้อนข้าวนี่มาวางไว้ที่กับดักเสร็จแล้วก็หุงข้าว รองคุงข้าวก็สวดมนต์คนนิเบร์ น, นี่อคนคนโบรัณเก่าๆนี่ก็จะสวดมนต์กันเป็นเรื่องเป็นราวมากไม่ว่าทําอะไรก็สวดมนต์คุ้งข้าวก็สวดมนต์ไปด้วยตอนที่สวดมนต์เนี่ยไอ้หนูเนี่ยมันก็เข้ามาหวนรอบๆกับดักแล้วเข้าไปในกับดักแล้วก็คว้าเอาคาบเอาก้อนข้าว ออกไปมันก็ทำอย่างนี้ได้สำเร็จทุกครั้งนะไม่ใช่แค่วันเดียวนะหลายวันทีเดียวผ่านไปสองอาทิตย์แล้วก็ยังจับไม่ได้เด็กนี้ก็ร้อนใจมากเลยนะที่จับหนูตัวนี้ไม่ได้ทั้งที่มันก็เข้าไปในกับดักแล้วแต่ย่านี่เฉยมากเลยนะแม้ว่ามันจะ วิ่งอยู่รอบๆกับดักใกล้ๆตัวยายิาก็ไม่สนใจญาตก็หูมข้าวไปคนข้าวไปสดมลไปได้วเวลาหนูเอาข้าวข้าบข้าวไปนะญาตก็ต้องทุกเช้าก็ต้องเอาข้าวก้อนใหม่มาวางก็เพียรทำงี้อยู่ประมาณสามอาทิตย์ระหว่างนั้นญาก็ไม่ได้อนาทนร้อนใจไม่ได้เงุนหญิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจที่ซ้ำนะว่า เวลามันมาวนรอบอยู่กับดาวนี้จะคอยลุ้นว่ามันจะคาบข้าวไปแล้วชนการไม้ตกลงมาให้ใ ห, หมอดินตกลงมาหรือเปล่าแกก็ไม่สนใจแต่แล้วมีวันหนึ่งนะผ่านไปสาอาทิตย์เนี่ยไอหนูตัวนี้มันเกิดพลาดท่ า, ทาขึ้นมามันคาบข้าวไปแล้วมันก็คงด้วยความประมาทมันก็เลยไปยวิ่งชนการไม้ หลุดเลยนะหม้อ ด, ดินที่ถูกการหมายคำแล้วก็ตกลงมาครอบหนูตัวนั้นได้สำเร็จเด็กชายก็ดีใจมากเลยกระโดดโลดเต้นลิงโลดนะบอกย่าว่าหนูถูกจับแล้วหนูอยู่ในกับดักแล้วแต่ย่าก็เฉย ไม่ได้แสดงสีท่าดีใจอะไรเลยยาก็ผุงข้าวต่อไปพอข้าวสุกน่ยาก็กินข้าวจนซ้ายเนี่ย เ, ยเด็กก็เห็นย่าเนี่ยเอาข้าวแห้งเนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่แปลว่าอะไรแปลว่าเตรียมเดินทางเนี่ยย่าเนี่ยเตรียมเดินทางก็คงจะไปหลายชั่วโมงแล้วนะ เดินทางไปไหนนะ ก, ก็เดินทางเอาหัตัวนี้แหละเขาไปปล่อยในป่ายากกับดักเนี่ยเทินหัวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าตอนนั้นก็หนาวมากน้ำค้างก็แข็งลำธารยังแข็งเลยยากก็เดินไปเรื่อยๆ เดินเข้าไปในป่าประมาณสองสามชั่วโมงได้จนถึงบริเวณที่มีต้นโอ๊กใหญ่นะมีสัตว์หลายชนิดเนี่ยมากินลูกโอ๊กที่ตกลงมาอยู่ข้างลำห้วยตรงนั้นแหละที่ยายเนี่ยปล่อยหนูตัวนั้นแล้วก็เดินอีกสองชั่วโมง3มชั่วโมงเนี่ยกลับถึงบ้านเรียกว่าทั้งวัน มีภารกิจอย่างเดียวคือเอาหนูไปปล่อยโอฟานแล้วก็น่าถึงนะหนูตัวเดียวนี่ยานี่ยจะยอมนะพามไปไปปล่อยแล้วไปปล่อยในที่ที่เหมือนกับสวรรค์เลยนะคนโอก๊กมีลูกโอก๊โอกเยอะแยะแสดงถึงนิสัยที่มีเมตตา ม, มากแต่ณะที่หนูตัวนี้ก็รบกวน ข้าวที่ย่ากเก็บมาแต่ก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นจับได้ก็เอาไปปล่อยในที่ที่มันดีกว่าเดินทางไกลไปกักสี่ห้าชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจอย่างนี้นคือท่าทีของย่านะเวลาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจังหนูตัวนี้ คือเวลาหนูมันก่อปัญหายาก็เห็นว่ามันต้องจัดการนะยาก็ไม่ได้แค่ทำใจปล่อยให้มันก่อกวนยาจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าต้องจัดการจัดการด้วยการทำกับดักแต่ทำกับดักเสร็จทำเสร็จก็รอคอยนะรอคอยแบบไม่ได้ ทุกร้อนอะไรเลยหนูมันจะติดกับดักหรือไม่ย่าก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่และเมื่อมันไม่ติดกับดักย่าก็ไม่งุดนยิดไม่หัวเสียทั้งที่ทําทําไปสองสามอาทิตย์ไม่สําเร็จย่าก็ไม่งุนยิดไม่หัวเสียแล้วยังมีความเพียรพยายามนะมันเอาข้าวไป วันรุ่ขึ้นย่าก็เอาข้าวก้อนไม้มาวางไม่ท้อถอยแต่ก็ไม่หงุดหงิดที่ทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จครั้นหนูเนี่ยปติกิมดับก็เรียกว่าความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วย่าก็ไม่ดึงโลดไม่ดีใจอพี่กับเด็กน้อยเด็กน้อยดีใจใหญ่เลยไปย่าเฉย ถึงเวลาก็เอาหนูตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ปล่อยอันนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะเป็นการปฏิบัติธรรมที่กลมกลืนกับชีวิตประจำวันคือเมื่อย่าเห็นปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทำใจแต่ว่าทาทางานด้วยหรือทากิจด้วยคือหาทางจับมัน แต่ขณะที่ยังจำไม่ได้ก็ไม่ได้มีความหงุดหงิดก็ยังทําแล้วทําอีกทําแล้วทํำอีกทําจนสําเร็จสําเร็จก็ไม่ได้ดีใจยิ่งันั้นก็ยังเอาดูไปปล่อยอันนี้จะเรียกว่าทํางานแบบปล่อยวางก็ได้นะทํางานแบบปล่อยวางเวลาเราพูดถึงการความปล่อยวางเนี่ยเราก็มักนึกถึงว่าอยู่เฉย หรือว่าปล่อยปละละเลยทิย่งยาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีทนาะงการทํางานแบบปล่อยวางปล่อยวางคือปล่อยวางและปล่อยวางในผลแต่เหตุนี่ทําเต็มที่นะเหตุเนี่ยการประกอบเหตุนี่ย่านี่ทำคือการวางกับดักทําทุกวันไม่ได้ผล ไม่สำเร็จก็ไม่ท้อถอยก็เพียรพยายามอยู่เรื่อยไปจะทำนานเป็นเดือนก็ทำจะนานเป็นเดือนก็ทำอันนี้เรียกว่าประกอบเหตุเต็มที่นะแต่ว่าปล่อยวางในผลซึ่งมันเป็นมันเป็นหลักนะของการทำงานแบบพุทธเลยนะ ท่านก็สอนว่าเนี่ยให้ประกอบเหตุให้เต็มที่ส่วนผลนั้นมันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราได้เพราะมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเหตุนเนี่ยเราพอจะกากับควบคุมได้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเราแต่ผลนี่มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลย ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือแค่รอรอคอยแต่ไม่ได้รอเปล่าๆนะเหตุก็ทำอยู่เรื่อยๆเอาข้าวมาวางไว้ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าถึงเวลาสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางเสร็จแล้วก็เอาหนูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ถ้าเราเปรี่ยนูเหมันกับผลนะก่อนก็ตรงกับที่ท่านจารยวุฒาว่างนยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน่นที่อิงก่อนแล้วนั้นพูดว่าเนี่ยจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน่นคือเวลาสาเร็จแล้วก็ไม่ได้อวดว่าเป็นของกูของกูของกูงกงกคือให้ธรรมชาติไป ไม่ได้ยึดมั่นถือว่ามเป็นผลงานของกูผลงนของกูระหว่างที่ผลงานหรือผลสร็ยังไม่เกิดก็ไม่ได้จดจ่อใส่ใจกับมันสนใจแต่การประกอบเหตุอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นท่าชีนะที่เราควรจะนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตรวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำเหตุให้เต็มที่เลยนะ เหตที่ว่าก็ได้แก่การเดินจงกลมการยกมือสร้างจังหวะหรือการตามลมหายใจนี่คือการประกอบเหตุทําไปเรื่อยๆส่วนผลนั้นวางเอาไว้ก่อนวางออกไปจากใจงั้นถ้าเราทำเนี่ยโดยทําเหตุให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยวางผลเนี่ยเราจะทงานอย่างมีความสุขขึ้นมากเลยนะเราจะไม่เครียดจะไม่หงุดหงิดแต่หลายคนเนี่ยเวลา ทำอไรก็ตามอย่าว่าแต่ปฏิบัติทำเลยทำงานก็เหมือนกันเครียดความเครียดเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยมันไปจดจอ่อจดจ้องอยู่กับผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ระหว่างที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คอยเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่มันจะใจจะสงบเมื่อไหร่จิตมันจะนิ่งเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่สติจะเติบโตนนคนที่ทาด้วย ความรู้สึกไม่คิดแบบนี้ทำให้ความเครียดมากเลยและสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะไปบังคับจิตให้มันเป็นไปนอย่างที่ต้องการบังคับจิตให้นิ่งหรือว่าไปจ้องมองความคิดเพื่อได้รู้ทันความคิดไวๆเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเพื่อจะได้รู้สึกตัวชัดๆอันนี้ก็มักจะเกิดจากการที่ไม่รู้จักอดทนรอคอยในผลและที่ไม่อดทนรอคอยในผลก็ปล่อยวาง ผลไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าว่าเราทำเหตุให้เต็มที่แล้วเนี่ยผลนี่ก็ต้องวางไว้เลยและถ้าเราวางผลได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เครียดทำเต็มที่จะไม่เสียเรียนนี่มันทำได้นะทาเต็มที่คือประกอบเหตุให้เต็มที่เลยไม่ท้อถอยรู้จักรอคอย อยากเดษตยกันก็ใจก็ไม่ไปเพ่งไปจดจ้องที่ผลมันจึงไม่เครียดนะียมันจึงไม่เสียเรียดทํางานอะไรก็ตามต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะโดยพอผลสําเร็จทั้งระหว่างที่ทําก็จะไปจดจ้องอยู่ที่ผลสําเร็จมากว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาเมื่อไหร่มันจะโผล่มันจะปรากฏจดจ่อยที่เหตุให้ดีก็แล้วกัน ไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติทำอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันนะสมัยที่นราจารพุท ธ, ธาท่านยังยังมีเรื่องมีแรงอยู่ที่สวนโม่เนี่ยก็มีการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆอยู่หลายอาคารบางครั้งท่านก็ไปทำเองด้วยไปช่วยทำก็มี มีควานึ่งระหว่างที่กำลังกอ่อสร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนา ว, วาหรือที่เรียกสั้นๆว่าเรือเนี่ยก็มียงหนึงเนี่ยมาหาท่านหลงนี้ก็คุ้นเคยกับท่านคุ้นเคยกับศุนโมกมากราบท่านแล้วก็ถามว่าเรือนี่สร้างเสร็จหรือ ย, ยังครับพระเจ้าพุทเจ้าตอบว่าเสร็จแล้วหลง น, นก็สงสัยนะเพราะเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยมาที่สุนโมก็เห็นว่าเรือนี้ก็ยังสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียว แล้วทำไมสองเดือนนี้เสร็จแล้วปกติอาคารแต่ละหลังนี่สร้างเป็นปีนะค่อยๆสร้างทีละนิดทีละหน่อยพอใช้แรงงานพระก็แปลกใจนะโยงนี่ก็แปลกใจทำไมเสร็จแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วนี่ยังแค่ครึ่งเดียวที่สร้างก็ลเลยเดินไปที่เรือพากฏว่ายังสร้างได้ห่างไกลจากการเสร็จสมบูรณ์ ไปได้แค่หนึ่งในสองครึ่งหนึ่งหรือว่าอาจจะแค่สองในสามทนันก็เลยกลับมาหาท่านพุทธาภิษฐ์ท่านอาจารยพุทธาบอกว่าอาจารย์ไหนว่าเรือเสร็จแล้วเนี่ยผมไปดูเนี่ยมันยังสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จโยงนั้นงงเลยนะีย แต่นี่สะท้อนท่าทีนะของการทำงานของท่าจดาวุธานนะคือว่าสาวท่านเนี่ยงานเนี่ยเสร็จทุกวันทำงานระหว่างที่ทำงานก็ทำเต็มที่แต่พอถึงเวลาเลิกงานพาะค่ำแล้วเย็นแล้วไม่ใช่แค่วางมือหรือวางอุปกรณ์เท่านะั้นแต่ว่าวางวางเงาไปจับใจด้วยสาวท่านเนี่ยนะเสร็จทุกวัน เสร็จนี่หมายความว่าวางงานลงจากใจเพื่อได้ไปทำอย่างอื่นไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลจิตใจก็สบายเพราะว่าวางงานออกไปจากใจเหมือนกับว่ามันเสร็จแล้วถ้าคนเรานี่ถามว่าเรามีท่าที่าาอาจารย์พุทธานะทำอะไรเนี่ย ระหว่างที่ทำก็ทำเต็มที่ถึงเวลาเลิกถึงเวลาเลิกงานก็ก็ไม่ใช่แค่วางเครื่องไม้เครื่องมือวางอุปกรณ์ปิดคอมพิวเตอร์แต่ว่าวางงานออกไปจากใจด้วยมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายโปร่งเบาปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะเสร็จทุกวันแล้วก็มีสติ เ ต, ติบโตขึ้นทุกวันเราต้องมีความมั่นใจนถ้าเราวางรู้จังวางใจแบบนี้นะการทำงานมันจะไม่เครียดและนอกจอากไม่เครียดแล้วเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นเนยนะเมื่อสัก60 60ปีที่แล้วเนี่ยนะมันมีการสร้างสำนักเซนซึ่งเป็นแท่งแรกในอเมริกานะที่เป็นการสำนักปฏิบัติธรรม เจ้าว่าเนี่ยคือท่านชุนเดียวสุสกิกิซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยตัวเล็กนะแต่ตอนที่ท่านมาเริ่มก่อสร้างเนี่ยก็อายุ60สแล้วแต่ว่าท่านมีลูกศิษย์เยอะนะเป็นฝรั่งอเมริกันหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นซึ่งหันมาสนใจนะการปฏิบัติธรรมแบบเซน สั น, นักเซนที่ซานฟรานซิสโกนี้ก็เยว่าเป็นซัมเซนแห่งแรกในอเมริกาที่มาสอนการภาวนาแบบเซนในอเมริกาต่อหลังก็ขยับขยายไปสร้างสำ น, นักปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดก็ต้องสร้างกันเองนะท่านชุนเรียวก็ไปร่วมด้วยลูกศิษย์ลูกหาวก็ไปด้วยแะสันรักเซนเนี่ยนะมันกงใช้ไม้ใช้หินเนี่ยเยอะมาก ต้องแบกเสาแบกหินอาจารย์ชุนเร็วเนี่ยก็แบกล่วมกับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์เนี่ยทั้งที่อายุไม่มากนะตัวใหญ่ทําไปได้ครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วแต่อาจารย์ชุนเร็วเนี่ยนะทำทั้งวันคนก็แปลกใจนะลูกศิษย์ก็แปลกใจโหอาจารย์ทำได้ยังไงเนี่ยร่างก็เล็กแล้วก็อายุก็มากแล้ว ตงสายอาจารย์ทําได้ไงทั้งวันอาจารย์ชุนเดลตอบก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกศิษย์ ง, งงเลยพักที่ไหนจริงท่านพักนะกายเนี่ยทำงานแต่ใจนี่พักระหว่างที่กายแบกหินแบกเสาใจก็ไม่ได้แบกหินแบกเสาด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ในเวลาทํางานเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าตัวแบกหินแบกเสานะใจก็แบก แบกอะไรนะแบกความสำเร็จแบกจุดมุ่งหมายเช่นระหว่างที่ทาไปก็นึกแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอีกกี่วันอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จใจนี่นะนึกถึงเป้าหมายพอนึกถึงแล้วก็เลยเครียดก็เลยงดหยุ ด, ดแต่จนชุนเรียวเนี่ยไม่มีไม่มีการนึกคิดแบบนั้นเลย ใจก็อยู่กับการทำงานแต่แค่รู้เฉยๆนะว่ากายนี่กาลังแบกมีความเหนื่อยมีความปวดมีความเมื่อยใจก็ไม่ได้บบไปแบกบเอาความปวดความเมื่อยเอาไว้ด้วยให้ความปวดความเมื่อยกับเป็นเรื่องของกายไปใจไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยตามไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยเอาเป้าหมายความสำเร็จนั้นมาเป็นเครื่องกดทวงลงทับใจ เรียกว่าใจปล่อยวางนะตัวทํางานเนี่ยแต่ใจปล่อยวางก็เลยบอกรู้สึกว่าผมผ่อนตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าทําได้นานกว่าลูกสิษย์ด้วยนะี่ยั่นการทํางานแบบปล่อยวางเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพ้อฝันนะมันเป็นเรื่องที่ทําได้และควรทําด้วยก่อนสมัยคือว่าต้องกระจายปล่อยวางนี่ไม่ใช่ปล่อยปลันแล้วเลย ปวางคืออย่างน้อยก็ปล่อยวางผลที่มุ่งหวงังปล่อยวางความสําเร็จที่อยากได้หรือปล่อยวางนะความสงบหรือว่าสติความรู้สึกตัวที่อยากจะทําให้เกิดมีขึ้นในระหว่างการปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีประกอบเพียให้เต็มที่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรทำในขณ ะ, ะที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่วางผลไปเอาไว้ก่อน ผลที่คาดหวังอย่าให้ความต้องการหรือความปรารถนาความคาดหวังในผลมันมารบกวนการปฏิบัติไม่เง้ก็จะเครียดถ้าเรารู้จักปล่อยวางผลต่อไปเราก็จะปล่อยวางอย่างอื่นได้ความหมดหุดเหยิดความลาคัญใจความปวดความเมื่อยมันก็จะวางได้มากขึ้นทำงานก็ให้กายทำไปใจก็เพียงแต่รับรู้ว่ากายทำอะไรแต่ไม่ได้แบกอะไรเลยสักอย่าง ไปทำให้การทำงานนี้นอกจากคนทำไม่ทุกข์แล้วบางทียังจะมีความสนุกหรือมีความสุขกับงานแล้วก็งานก็ทำได้ดีทำได้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ